ทำอย่างไรเมื่อจิตสร้างมโนภาพขึ้นมาเมื่อมันเกิดมโนภาพขึ้นมากำหนดจิตรู้เฉยอยู่ไม่ต้องไปวิภาควิจารอะไรกับภาพนั้นมนโนภาพคือจิตเรามันสร้างขึ้นมาเองรู้จิตอยู่เฉยเฉยถ้าระวังไม่ให้จิตมันหวั่นไหวได้ดี ถ้าเป็นมโนภาพถ้ามันนิ่งอยู่จนกระทั่งเป็นนิมิตติดตาก็ได้อุคหะนิมิตถ้าสมาธิมันจเจริญขึ้นมันสามารถปฏิวัติมโนภาพให้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆมันก็เป็นปฏิภาคานิมิตอุคหะนิมิตสมาธิเป็นสมถกรรมฐานปฏิภาคานิมิตสมาธิเป็นวิปัสสนากรรมฐาน เพราะจิตกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงในเมื่อสมาธิมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เฉยอยู่ลูกเดียวอย่าไปรบกวนถ้าหากว่ามันสงบลงไปนิดหน่อยเรามาทักมันว่าสงบหนอสมาธิก็ถอนเพราะฉะนั้นพอมันสงบแล้วเราปล่อยไปเลย หน้าที่ของเราก็คือพยายามรู้ตัวอยู่เท่านั้นเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ตั้งใจจะรู้มันก็รู้เองเพราะมันเป็นงานที่จิตสร้างขึ้นจิตเขาเป็นผู้สร้างงานขึ้นมาก็ต้องรู้ว่างานเขาคืออะไรการรู้เห็นนี้เป็นปัจจดตังเรารู้เฉพาะตัวเราเองถ้าไปเปิดเผยคุยหน่อย บางทีเราอาจเผลอประมาทไปว่าเราเป็นผู้วิเศษหรือไปหลงติดมันมันจะรู้เห็นอะไรหรือไม่รู้เห็นอะไรก็ช่างมันให้เรารู้จิตเราเองอย่าไปหลงติดมัน